สร้างหลักใจให้ลูกหลานหลวงตามหาบัวท่านสอนว่าการจะเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากและเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้มีโอกาสนับถือหรือเป็นพุทธศาสนิกชนก็ยากยิ่งกว่าและพวกเรามีบุญมหาศาลขนาดไหนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และยังได้นับถือพุทธศาสนาไปพร้อมกันฉะนั้น จึงอยากให้เราได้่วยโอกาสอันประเสริฐนี้บ่มเพาะลูกหลานของเราตั้งแต่อย่างตัวน้อยๆโดยการทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแก่พวกเขาเช่นพาครอบครัวเข้าวัดไปทำบุญทําทานกันบ้างเพื่อสอนให้เด็กๆรู้จักการให้พ่อแม่พาลูกให้สวดมนต์ เพื่อเป็นสะพานทอดพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆ ค, คุณไปสู่จิตใจของเด็กตั้งแต่ยังยาววัยกล่อมกล่าวเขาเรื่อยไปเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้มีฮีโร่โตับปะคือรู้จักละอายและเกรงกลัวบาปในเวลาจะทำสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกต้องในศีนลธรรมเขาจะเตือนตัวของเขาเองได้จะระลึกได้ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากจะเป็นพื้นฐานที่ชาวพุทธ ต้องตรหนักและก็หมั่นระลึกนึกถึงให้มากที่สุดยิ่งในอนาคตข้างหน้าสังคมไทยเราจะไม่สามารถควบคุมลูกหลานได้ทุกฝีก้าวสังคมนอกบ้านจะพากเขาไปจากอกเราเขาก็จะได้มีฮิริโอตับปากความละอายและเกรงกลัวในบาปไว้เป็นเครื่องกำกับชีวิตเป็นเข็มทิศชีวิตของเขาให้พวกเราพากันประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตของตนเองเพื่อที่สังคมจะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข อันนี้เป็นพื้นฐานชีวิตของชาวพุทธเราพุทธศาสนกชนไทยยังมีโอกาสดีอีกขั้นหนึ่งคือเรายังมีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เรากราบไหว้ยอยู่จนทุกวันนี้แต่การที่จะแน่ใจว่าเป็นพระดีเป็นพระอริยสงฆ์เราก็ต้องศึกษาพิจารณาดูท่านให้ถ่องแท้และที่แน่ๆ ก็คือเราได้พบพระผู้เป็นเนื้อนาบุญใหญ่พระอริยสงฆ์แล้วนั่นก็คือหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดท่านเป็นพระแท้ที่สุดแล้วท่านได้บอกไว้ว่าธนบัตรแทจะอยู่ที่ใดก็เป็นธนบัตรแท้แม้จะมีใบเดียวอยู่ในกองธนบัตรปลอมก็รู้ได้ว่านี่คือธนบัตรแท้มีราคามีมูลค่าในตัวเอง